ตัวเวทนาตนี้มันก็จะเกิดขึ้นเราก็จะพยายามเรียนรู้ตัวนี้ถ้าเราเรียนรู้อยู่ตัวนี้บ่อยๆการเห็นการเกิดการดับของของกายแล้วก็ของจิตมันก็จะค่อยๆสติเราก็ค่อยๆเร็วขึ้นแล้วก็น้นานก็เดินแบบเดินหาอารมณ์โล่งเบาเ ป, าป่าบวงสบายเดินได้วันต่อกันสชั่วโมงสองชั่วโมงเวลานั่งก็นั่งแค่นานๆนั่งแล้วก็จะพยายามจัดจ้องอย่างี้